Mm ¶¶ -hmm. สัก20ปีก่อนได้เคยจาริกไปทางภาคเหนือแล้วก็ไปเยือนตามหมู่บ้านชาวเขาบนดอยแม่ชลองไปครั้งนั้นนี่พูดจักเาเรียกว่าธรรมญาตรานะธรรมญาตราสู่ปากเขาชื่อทานองเนี้ยก็มีทั้งพระแล้วก็โยม คนไทยก็มีฝรั่งก็หลายคนประมาณสัก 30-40 คนได้การจารูกแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องขึ้นเขาอยู่แล้วขึ้นเขาตั้งแต่วันสองวันแรกเลยแต่ละคนนี่ก็ต้องแบกสัมภาระนะไปเองเนะคือมีเป้ติดหลังพระนี่ก็ต้องเอาบาตรไปด้วยตอนที่เดินขึ้นเขา ที่จก่อนจะเดินขึ้นเขาแล้วล่ะนะพวกคนที่แข็งแรงคนหนุ่มคนสาวหรือว่าฝรั่งนี่เขาก็เดินแซงไปแล้วเราก็เดินตามหลังยิ่งตอนขึ้นเขาู่แล้วเนี่ยก็ทิ้งห่างกันตอนที่เดินขึ้นเขาก็เหนื่อยนะสัมพาร่ามก็หนักด้วยยิ่งเดินก็ยิ่งหนักเขาก็ชันเดินไปสัก สินาที15นห้าทีก็เหนื่อยแล้วยิ่งไม่ถึงสิบห้าทีแค่1ิบนาทีก็หอบแล้วต้องนั่งพักก็บังเอิญทางมักคุเทศเนี่ยซึ่งเป็นชาวเขาเขาก็พูดแนะนำวิธีการเดินขึ้นเขานะว่าให้เดินช้าๆแล้วก็อย่าหยุดนะอย่าหยุดคืออย่าพักนะเดินไปเรื่อยๆ ไอ้ข้อแรกเนี่ยพอจะไหวนะแต่ข้อสองนี่ทำได้เลยเดินไม่หยุดนะนี่ขนาดเราเดินแค่10นาทีก็เหนื่อยแล้วแต่ก็เอาที่เขาแนะนำนี่มาคิดแล้วก็ลองทำตามดูแล้วก็พบว่าไอ้เดินอย่างปกติของเราเนี่ยมันยังเรียกว่าเดินเร็วอยู่จะเดินช้าๆโดยไม่หยุดพักเนี่ยมันก็ต้องเดินให้ชา้ากว่า น, นั้น ก็พยายามเดินแบบที่เรียกว่าค่อยๆ ย, ยางเลยนะเป็นแบบคล้ายๆ slow motion ก็ว่าได้นะเหมือนกับภาพหนังที่มันหน่วงสปีดให้ช้าลงพยายามเดินให้ช้ากว่าที่เคยเดินแต่พอทำไปสักพักมันก็จะเผลอเดินเร็วขึ้นเดินเหมือนกับที่เดินตามปกติก็รู้สึกเหนื่อยขึ้นมา ทันทีก็ต้องคอยเตือนตัวให้เดินช้ากว่านี้แล้วขณะเดียวกันก็ตามลมหายใจไปด้วยเพราะว่าถ้าไม่ไม่ตามลมหายใจหรือว่าไม่ควบควบุมลมหายใจเนี่ยนะมันก็จะเดินก็จะหายใจแบบถี่สั้นนะแต่ว่าเวลาเดินขึ้นเขาเนี่ย ไอ้ลมหายใจก็สำคัญมากเาจิตเนี่ยนะมาอยู่ที่ลมหายใจเพื่อควบคุมลมหายใจให้ประสานไปกับการเดินเผักพักเนี่ยจิตก็หลุดไปข้างหน้าแนละ้วใจเนี่ยมันไปพูวงถึงจุดหมายข้างหน้านะ คือต้องไปพักเพลงกันที่หมู่บ้านชาวเขาซึ่งเป็นหมู่บ้านแรกสุดที่เราจะไปถึงตอนที่เริ่มเดินก็ประมาณสายๆเลยนะ8ปโมงครึ่งเดินไปสักพักก้าวไปไม่กี่ก้าวใจมันก็ไปข้างหน้าแล้วต้องดึงมันกลับมาเพราะพอใจเราไปข้างหน้านะมันก็จะท้ามันจะสาวเร็วขึ้นซึ่งทำให้เหนื่อยจะเดินให้ช้าเนี่ยใจมันก็ต้องอยู่กันเนื้อกับตัว กลับมาอยู่ที่ที่ปัจจุบันจะทํางั้นได้ต้องให้ใจมันประสานกับลมหายใจมากําหนดให้ลมหายใจให้ลมหายใจประสานกับเท้าแต่ละก้าวที่เดินมันก็เริ่มเดินช้าลงแต่ว่าความเคยชินเดิมๆ เ, เนี่ยมันก็ยังมีอยู่พอเพิเมื่อะไรก็จะสาวเท้าเร็วขึ้นซึ่งก็จะเหนื่อ ย, อยงั้นการเดินจริงเนี่ยพอ จะเดินให้ช้าลงเนี่ยเรารู้เลยว่าต้องมีสติอยู่กับการเดินมันจะไปใจลอยไม่ได้เพราะปล่อยใจลอยเมื่อไหร่มันจะไปอยู่ข้างหน้าแล้วมันจะไปสนใจจุดหมายแล้วก็ความอยากจะไปให้ถึงเร็วๆมันให้ทาให้เราเนี่ยสาวเท้าเร็วขึ้นรู้เลยว่าเนี่ยถ้าจะเดินช้าเนี่ยต้องวางต้องวางไอ้เป้าหมายนียข้างหน้าลง ไอ้ความคิดว่าจะต้องถึงโดยเร็วให้ไวๆให้ทันเพจเนี่ยมันต้องวางลงซะลืมไปได้เลยใจทํางันได้ต้อให้จิตเนี่ยมันมามาอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็พยายามบังคับตัวเองให้เดินช้าๆซึ่งมันไม่ใช่เป็นสปีดปกติของเราเพราะฉะนั้นก็ต้องต้องกํากับให้จิตกํากับอยู่กับการเดินตลอดเวลา ก็ปก่าเดินได้เดินขึ้นเขาได้เทเลนิเทนิดเทนิ ด, นดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยนุ่มๆ น, นะคนแข็งแรงเขาก็เดินแซงไปก็ปล่อยเขาไปรถมันก็ค่อยขึ้นเออตัวเองก็ค่อยเดินเคลื่อนเหมือนกับรถที่ค่อยๆเคลื่อนขึ้นเขาไปความรู้สึกเหนื่อยก็ไม่ค่อยมีแล้ว กลายไปว่าเดินไปชักพักหนึ่งก็แซงคนที่เคยเดินไปข้างหน้าคนที่เคยเดินแซงเราตอนนี้ก็นั่งพักแล้วส่วนเราก็ยังเดินไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่จะเป็นต้องหยุดพักเพราะว่าเหมือนกับว่าได้พักนะอยู่ทุกก้าวเลย เพราะว่าเราเดินช้าลงแล้วก็หายใจนะหายใจเข้าลึกนะหายใจ ย, วยาวๆเนี่ยมันก็ทําให้ไม่มีความยัาเป็นต้องมาพักแล้วก็พักแบบเหนื่อยหอบแล้วก็พบว่าเออพอเราเดินช้านี่เราไม่ต้องหยุดพักอย่างที่มั ก, กุเทศชาวเขาแนะนําทําได้ก็เดินไปเดินไปก็แซง คนที่เขาเคยเดินขึ้นหน้าไปทีละคนสองคนสองสามคนเดินไปเรื่อยๆแซงไปเรื่อยๆส่วนใหญ่เนี่ยนะคนที่เดินเร็วเนี่ยสุดท้ายก็ต้องต้องพักกลางทางไอ้ตอนพักนี่แหละนี่ที่ทำให้เสียเวลาคนที่เขาอยากจะเดินเร็วแล้วเขาก็เดินก้าวเนทะ้าไวๆเนี่ยบอก ว, ว่าเขาต้องเสียเวลาในการพัก ในส่วนเรานี่เนื่งองจากเเดินช้าแล้วก็แต่และก้าวเนี่ยก็เหมือนกับพักไปในตัวก็เลยไม่ต้องหยุดพักก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆจนกระทั่งพอถึงพื้นราบหรือว่าพื้นที่ที่มันลาดชันน้อยก็ยังเดินได้สบายบอกก็ว่าสองชั่วโมงเดินโดยไม่หยุดเลยและสุดท้ายก็ ไปถึงหมู่บ้านชาวเขาซึ่งมนจุดพักเพลเนี่ยเป็นคนแรกเจ้าหน้าที่ตอนที่เริ่มเดินนี่ก็ถูกทิ้งเรียกว่าล้างท้ายนะยิ่งตอนเริ่มเดินขึ้นเขานี่ก็อยู่ท้ายสุดเลยก็แปลกใจมากเอ้เราก็เดินชา้าแต่ทาไมมันถึงเร็วหรือถึงก่อนใครแล้วก็เห็นเลยนะคนที่เดินเร็วเนี่ยในสุดกลับถึงชา้า ก็เลยได้ง่คิดว่าการเดินขึ้นเขาเนี่ยถ้าเดินช้าจะถึงเร็วแต่ถ้าเดินเร็วเนี่ยจะถึงช้านะแล้วก็ได้เรีรู้ว่าออการเดินนีนะ่ถ้าจะเดินให้ช้าเนี่ยมันต้องวางนะมันต้องวางจุดหมายปลายทางข้างหน้าเอาไว้ก่อนพอท่านนึกเมื่อไหร่เนี่ยมันจะวิสัยคนคนเมืองมั้ง ก็อยากจะไปให้ถึงเร็วๆได้เรียนรู้ว่าการเดินเนี่ยมันไม่ได้อาศัยเท้าอาศัยแรงอย่างเดียวต้องอาศัยใจด้วยและใจเนี่ยไม่ได้หมายถึงใจที่อึดใจที่อดทนอย่างเดียวนะแต่หมายถึงใจที่มีสติใจที่มีสมาธิมีสตินี่มัช่วยทําให้ใจเนี่ยอยู่กับปัจจุบันไม่ไปคิดถึงเป้าหมายข้างหน้าพอจะคิดแล้วเนี่ย จะเป็นทุกข์เลยนะเพราะมันจะนึกขึ้นมาในใจว่าเมื่อไหรจะถึงเมื่อไรจะถึงอีกต้องนานกว่าจะถึงพอคิดแบบนี้เข้านะก็จะรีบเดินให้เร็วขึ้นมันเป็นอัตโนมัติเลยแต่พอใจเราวางจุดหมายข้างหน้ามาอยู่กับปัจจุบันนะมันก็เหนื่อยแต่กายนะแต่ว่าใจไม่ทุกข์ละยิ่งเอาใจเนี่ยมันมีสมาธิกลมหายใจด้วยให ให้การหายใจมันประสานกับเท้าแต่ละก้าวที่เดินเนี่ยก็หมายว่าร่างกายก็ได้พักร่างกายก็ได้อากาศมันก็ไม่เปต้องหยุดพักแล้วก็หายใจเหนื่อยหอบเพราะแต่ละก้าวแต่ละก้าวแล้วก็หายใจนะเราก็ได้อากาศมาหล่อเลี้ยงกายอยู่แล้วส่วนใจเนี่ยที่มีสตินะมันก็ก็ไม่ทุกนะแล้วก็พลอยเป็นสมาธิ ถเ้เดินไปเดินไปเดินแบบนี้นะใจเป็นสมาธิได้ได้ไม่ได้เร็วมากใช้เวลาไม่นานแต่ถ้าใจล่องลอยใจคิดนนคิดนี่นะโอ้มันทุกข์นะโดยเฉพาะคิดไปถึงจุดหมายตอนหลังก็ได้ใช้เอาวิธีนี่แหละไปใช้การเดินขึ้นเขาไม่ว่าเขาสูงแค่ไหนไม่ว่าเป็นที่เวียดนามหรือว่าที่ศรีลังกาเนี่ยศรีลังกาเนี่ย จุดหมายที่เคยเดินขึ้นเขาเนี่ยคือศ ร, รีปาทะหรือศลีปาทะซึ่งเป็นที่ที่คนลังกาเข า, านับถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งของชาวพุทธของชาวคริสต์ของชาวฮินดูหรือแม้กระทั่งกับของชาวมุสลิมแล้วเขาจะมีประเพณีนะ เ, เดินขึ้นเขาศรีปาทะในช่วงประมาณต้นปี มักรากุมพาคงพาะอากาศากำลังดีนะฝนก็ไม่ตกแล้วก็ไม่ร้อนเคยเดินประมาณตื่นประมาณเที่ยงคืนนะแล้วก็เดินขึ้นไปถึงเดินไปที่เชิงเขาประมาณตีหนึ่งแล้วก็เดินขึ้นต่อไปอีกข้ามเขาประมาณสองลูกนะกว่าถึงยอดเขาซึ่งสูงประมาณพเมตร สูงกว่าดอยอินทนนท์แล้วก็เป็นเขาที่ชันนะมองไกลๆนี่ทีแรกก็ท้อเลยนะโอ้คือตอนมองมองตอนกลางวันนะ่ะนะเพราะว่าเป็นเหมือนกับสามเหลี่ยมนะแบบพีระมิดเลยลนะ้วมันพุ่งอย่างนั้นเลยโดดเด่นเป็นสง่ามากก็ใช้วิธีการเดินนะอย่างที่ได้เรียนรู้มาที่ดอยแม่สลอง เดินช้าๆนะไม่สนใจจุดหมายข้างหน้าสนใจอยู่กับปัจจุบันสนใจกับอมองไปที่พื้นข้างหน้าแล้วก็เดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆซึ่งที่จริงเนี่ยง่ายกว่าเดินขึ้นดอยแม่สลองซะอีกนะเพราะว่าชันน้อยกว่าแล้วก็มีบันไดแถมไม่ต้องแบกสัมภาระไม่ต้องแบกเป้ไม่ต้องแบกบาตรนะ เดินไปเรื่อยๆนะแต่และก้าวก็เหมือนกับว่าได้พักไปในตัวราอกว่าสามารถจะเดินได้โดยไม่หยุดกลางทางก็มีที่พักนะพวกหนุ่มๆสาวๆเนี่ยก็รีบเดินจ้ำจ้ำไปเสร็จแล้วก็ไปพักกันตรงกลางทางแต่เราก็เดินไปเรื่อยๆเหมือนเต่าอนะเดินแบบเหมือนเต่าเลยกระต่ายก็แซงไปแซงไป ก็ยังเดินไปได้เรื่อยๆโดยที่ไม่ได้หยุดไปถึงยอดเขาประมาณตีห้านะก็ใช้เวลาประมาณสามชั่วโมงเป็นสามชั่วโมงที่ไม่ได้หยุดพักเลยแล้วก็สามารถจะไปถึงทันเห็นผ้าทิศขึ้นอันนี้มันเป็นประสบการณ์การเดินขึ้นเขาที่ซึ่งมันก็เป็น บทเรียนหรือว่าเป็นแง่คิดใาง ก, การปฏิบัติธรรมาการปฏิบัติธรรมบางทีมันก็ไม่ต่างจากการเดินขึ้นเขานะถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยก็จะรีบนะไม่ว่าจุดหมายจะเป็นความสงบความรู้สึกตัวหรือว่าการเห็นรูปนามหรือว่าการเห็นไตรักซึ่งจะนำไปสู่ความหลุดพ้นหลายคนเนี่ยก็จะ เวลาปฏิบัติเนี่ยไม่ว่าจะสร้างจังหวะเดินจงกรมตามลมหายใจเนี่ยใจยมันไปอยู่ที่จุดหมายแล้วความสงบเราก็จะเอาให้ได้นะบางทีปฏิบัติไปเนี่ยนะก็เร่งนะเร่งจังหวะนะการเดินก็มีเร่งจังหวะการยกมือก็มีหรือถึงใจยังทําช้าๆอยู่แต่ว่าใจเนี่ยมันรนแล้วก็ไอความที่จเจ้าให้ได้จเจ้าให้ได้เนี่มันก็เลยเกิด อ, อาการเกร็ง พยายามไปบังคับจิตให้ได้ความสงบอย่างที่ต้องการแต่ถ้าว่าพอมาเปลี่ยนมาเป็นการทําแบบสบายๆนะเหมือนกับเวลาเดินขึ้นเ ข, ขาเดินสบายๆไม่ต้องรีบให้ไปให้ถึงใจก็จดจ่ออยู่กับบันไดขั้นสองขั้นที่อยู่ข้างหน้าหลายคนเนี่ยพอมองไปที่ยอดเขาเนี่ยหรือมองไปที่จุดหมายเนี่ยขณะที่เดินขึ้นเขานะีมันก็ล้าละเหนื่อยแล้ว พอเรากําหนดการมองให้อยู่แค่บันไดสองบันไดข้างหน้าเนี่นะไม่ต้องสนใจว่าจะต้องเดินอีกกี่อีกกี่ร้อยอีกกี่พันขั้นเนี่ยใจมันสงบได้ง่ายใจเป็นสมาธิและไม่รู้สึกเหนื่อยอยากทีบอกไว้แล้วว่าการเดินขึ้นเ ข, ขาเนี่ยมันไม่ได้อาศัยกายไม่ได้อาศัยเท้าไม่ได้อาศัยแรงอย่างเดียวต้องอาศัยใจต้องเดินด้วยใจและไม่ใช่เดินด้วยเท้ายิ่งการปฏิบัติทำด้วยแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องของการวางใจ นะเรียกว่าแทบจะรอยเอร์เซ็นเลยการยกมือการเดินรูปแบบการเดินการยกมือจังหวะการสร้างจังหวะนี่มันเป็นเรื่องรองหรือก็หรือว่าเป็นแค่วิธีการเท่านั้นแหละงั้นถ้าวางใจไม่เป็นเนี่ยนะคิดแต่จะเอาจะเอาให้ได้เนี่ยในที่สุดก็อาจจะทำไม่อาจจะท้อ นะเหมือนกับคนที่เดินเขาเนี่ยหลายคนเนี่ยพอเดินเร็วแล้วมันเหนื่อยก็ไม่ยอมนะไม่ยอมหยุดก็จะก็จะเดินให้ได้นะจะให้ถึงยอดเขาหรือถึงจุดหมายปลายทางไวๆร่างกายมันไม่ไหวแล้วก็ยังไม่ยอมน ะ, จะเจ้าให้ได้จะไปถึงไวๆให้ถึงที่ไหนที่สุดบอกกักว่าเท้าเด้งนะเท้าแผลง กาเป็นว่ายิ่งอยากให้ถึงไวๆกลับไปไม่ถึงเพราะว่าร่างกายมันไม่ไหวเท้าพลิกเส้นเส้นพลิกเท้าแผลงเนี่ยนะนักปฏิบัติหลายคนก็เป็นอย่างนั้นนะพอใจมันคิดแต่จะเอาจะเอาให้ได้ก็พยายามเร่งมือนะพยายามทำเต็มที่ร่างกายมันไม่ไหวก็ยังไม่ยอมหยุดเจ้าให้ได้ท้ายก็อาจจะเกิดความท้อขึ้นมาหรืออย่างน้อยๆเนี่ยก็ทาให้เนินช้า ในสาพุทธกาลมีภาะรูปหนึ่งชื่อพระสนะพระสนะมีหลายรูปองค์นี้ก็ชื่อพระสนะโกริวิสสัตร์เดิมก็เป็นคนดิดพินในราชสำนักตอนหลังก็ศรัทธามาบวชมาบวชก็มีศรัทธามากในการปฏิบัติแล้วก็อที่บทที่ใช้เป็นประจำก็คือการเดินเดินจงกรม ก็เดินอย่างเรียกว่าไม่ท้อถอยนะทำความเพียรอย่างยิ่งยวดแต่เนื่องจากเป็นคนที่เท้าเนี่ยนะหนังเท้านีิอ่อนเพราะว่าเป็นพวกสุคุมสุขุมมาลชาติสุคุมาราลชาตินีิหนังจะบางนะเดินตรงกลมก็เดินถอลงเท้าสมัยก่อนผ้าก็ไม่มีรองเท้าหรอกไอรองเท้าเพิ่งมามีช่วงไม่กี่สิบปีหลังนี่เอง เดินยองกลมเดินไปเดินมาเท้าก็แตกเท้าแตกก็ยังไม่ยอมหยุดจะเดินให้ได้ใจนี่จะเอาเท้าแตกเนี่ยปรากว่าเดินจนเลือดเนี่ยนะมันไหลซิบๆเปื้อนนะตามทางเดินเนี่ยเท้าแตกหนักเลยนะก็ยังไม่ยอมหยุดก็จะเดินต่อไปจะาให้ได้จนทัางสุดท้ายเรียกว่าแทบจะคลานเลยนะก็ยังไม่บรรลุ ทำอย่างที่ต้องการจนกทั่งเกิดความท้อจากคนที่ทำความเพียรอย่างมากเนี่ยมีความตัอ้ง อ, อกตั้งใจอย่างมากเนี่ยใน่สุดก็สวิงไปอีกทางหน่คือว่าท้อแล้วไม่อยากจะปฏิบัติแล้วพระพุทธเจ้า ก, ก็เสด็จมาพอดีแล้วก็ถามพระโส น, นาว่าเนี่ยท่านก็เคยดีดพินใช่ไหมพินเนี่ยมันมีสามสาย ถ้าสายแรกเนี่ยมันเป็นสายที่หย่อนนะถ้าขึงเนี่ยนะแล้วมันหย่อนเนี่ยดีดแล้วพร้อมไหมพสนัก็บอกไม่เพร้อแต่ถ้าสายที่ตึงอะนะตึงมากๆเนี่ยดีดแล้วพระมไหมก็ไม่เพร้ออาจจะขาดด้วยซ้ําสายพีเนี่ยมันต้องนะมันต้องขึงพอดีพอดี ถึงจะดีดได้เพราะการทำความเพียรก็เช่นเดียวกันนะต้องทำความเพียรแต่พอดีนะเพราะว่าทำความเพียรถ้าเพียรมากไปใจฟุ้งซ่านนะถ้าเพียรน้อยไปนะมันก็เกิดความขี้เกียจนะพอพูดอย่างนี้เนี่ยนะพะสนนะก็ได้สตินะแล้วก็ทำความเพียรเนี่ยให้พอดี ทำความเป็นให้พอดีเนี่ยไม่ได้เรียกว่าทางสายกลางนะทางสายกลางนมันเป็นเรื่องของสัมมาร mm. เรื่องของการปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าหากว่าส่วนความพอดีมันเป็นเรื่องของไม่มากไม่น้อยคนที่สูงพอดีคือคนที่ไม่ไม่สูงมากแล้วก็ไม่เตี้ยความพอดีมั น, เ ป, นเป็นเรื่องของปริมาณไม่มากไม่น้อยส่วนทางสายกลางนี่มันเป็นเรื่องของคุณภาพนะอันนี้พูดแบบ ให้มันเห็นภาพชัดๆนะมันไม่เกี่ยวกับปริมาณนะทางสายกลางคืออยู่ตรงกลางระหว่างความหมกมุ่นในกามกับการทรมานตนอันนี้มันไม่เกี่ยวกับสูงน้อยกว่าหรือว่ า, าเตี้ยมากกว่านะมันไม่ใช่เป็นเรื่องปริมาณเป็นเรื่องของคนละชนิด ก, กันเลยความเพียงเหมือนเหมือนกันนะความเพียงมันก็มีทั้ง เพียรมากเพียรน้องและเพียรพอดีนะคําว่าความเพียรแต่พอดีนี่เรียกว่าวิริยะสมมตาครนี้พระพุทธเจ้าแนะนําให้พระโสดานีนเน่เพียรแต่พอดนะีซึ่งที่จริงก็หมายถึงการวางใจให้มันพอดีพอดีคือว่าใจเนี่ยไม่ต้องคิดจะเอาที่จะเอาทํานะทใจให้สบายให้ผ่อนคลายแต่ก็ไม่ใช่หย่อนนะทําใจให้พรถ้า ถ้าทำใจให้มันเครียดให้ตึงเนี่ยมันก็จะเพียรเกินความพอดีไปแต่ถ้าทำใจให้ผ่อนคลายและไม่ถึงกับหย่อนมากเนี่ยมันก็ทำให้ความเพียรเนี่ยเป็นไปแต่พอดีพอทำอย่างที่พู้เจ้าแนะนำนะคือทำความเพียรแต่พอดีนะซึ่งไม่ได้หมายถึงว่าทำน้อยไม่ได้หมายว่าทาน้อยกว่าเดิมแต่ว่าทำใจให้มันพอดีพอดีก็ท่านก็ บ, บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์ในที่สุด คือเมื่อทําด้วยใจที่ผ่อนคลายแล้วเนี่ยนะโอกาสที่จะเห็นธรรมเนี่ยนะก็เป็นไปได้อันนี้คล้ายๆกับเรื่องที่ตรงข้ามกับพระโสนนะก็คือเรื่องของพระอานนท์พรอานนท์เนี่ยที่จริงก็คล้ายๆกันในบางส่วนนะก็คือพระอานนท์เนี่ยท่านเป็นโสดาบันนะก่อนที่พระเจ้าปณิพนธ์คราวนี้หลังจากที่พระเจ้าปริพนธ์นเนี่ยก็มีการตกลงว่าจะทําสังเครานาประมวลคําสอน ของผู้เจ้าทั้งธรรมและวิ น, นัยก็ตกลงกันว่าจะมีพระมาร่วมสังเคานาเนี่ยห้ารูปและต้องเป็นพระอระหันต์พระมหากัส ป, ปะท่านก็เป็นเจ้าเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการจัดสังเคานาท่านก็กําหนดพระอระหันต์49่รูปเหลือไว้อีกรูปหนึ่งนะสําหรับพระอนนท์ที่ต้องเหลือสําหรับพระนนท์ก็เพราะท่านเนี่ยเป็นอุปถาคที่เป็นพระหูสูตร ทรงจําคําสอนของพระเจ้าเนี่ยมาได้ละเอียดนะตลอดยี่สิบกว่าพรรษาที่ได้อุปถาแต่ว่าพระนนทเนี่ยติดขาดตรงที่ว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้นก็ให้เวลาท่านนะในการทําความเพียรเพื่อว่าถ้าได้เป็นพระอารหันต์ก็จะได้นะมาร่วมสังเกตนาได้พระนนก็ทําความเพียรมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าจนถึงวันก่อนวัน จนงวันสุดท้ายเนี่ยก่อนจะถึงวันสังเทนาท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมทําความเพียรนะจนกระทั่งถึงกลางคืนแล้วก็เกือบจะเช้าของวันที่ทำสังเทนาท่านก็ยังไม่บรรลุธรรมพอไม่พอเวลาใกล้เข้ามาใกล้เข้ามาท่านก็ทําความเพียรมากขึ้นแต่อีกทำเท่าไหร่เนี่ยก็ยังไม่ประสบผลสักที จนกทั่งท่ า, ทารู้สึกลา้าท่านคิดว่าเออควรจะต้องพักสักหน่อยในช่วงที่ท่านนะจะจะเองตัวลงนอนเนี่ยนะก็คือเท้าเนี่ยลอยจากพื้นแล้วแต่ว่าศาสีสะเนี่ยนะยังไม่ได้ถึงหมอนด้วยความที่ใจท่านผ่อนคลายนะจิตก็ที่เคยเคยตึงก็เริ่มกลับมาสู่ความพอดีในเพราะเช่นนั้นแหละนะที่ท่านบรรลุธรรมนะเห็นเป็นพระรหัสนะ เป็นการบรรติธรรมในอิเลียบที่จะเรียกว่านั่งก็ไม่ใช่นอนก็ไม่เชิงนะเป็นรูปเดียวนะในสมัยพุทธกาลที่บรรลุธรรมในภาวะ น, นั้นแล้วก็เป็นการบรรลุธรรมในขณะที่กำลังจะพักผ่อนนะตรงข้ามขณะที่ทำความเพียรอย่างหนักเนี่ยนะไม่ได้มีความก้าวหน้าอะไรเลยนะอันนี้ก็คล้ายๆกับพรสนะนะนะตรงที่ว่า มันไม่รู้ทำได้ก็เมื่อทำความเพียรแต่พอดีถ้าความเพียรมากไปก็มันก็ไม่ดีนะเพราะว่าทําให้ฟุง้งซ่านมากสมาธิมากไปก็ไม่ดีเพราะว่าทําให้เกิดทินมิทธะอินสี่ห้าเนี่ยประกอบด้วยคู่2คู่นะคู่นึงก็คือสมาธิกับวิริยะต้องพอดีพอดีนะและตัวที่ทําให้พอดีได้คือสติสตินี่ไม่มีคําว่ามากเกินไปไม่มีคําว่าเกินพอดี มากเท่าไหร่ก็ดีเท่านั้นแต่ว่าวิริยะกับสมาธิเนี่ยมันต้องพอดีกันถ้าวิริยะมากเกินมากเกินไปสมาธิก็แย่ถ้าสมาธิมากเกินไ ป, กกนไปวิริยะก็คลายเรียก่คลายความเพียรเพราะฉะนั้นเนี่ยการปฏิบัติของพวกเราเนี่ยนะให้ระลึกอยู่เสมอนะว่าจะเร่งจะรีบนี่ไม่ได้จะคิดแต่จะเอาจะเอาให้ได้มันก็ไม่ถูกทำความเพียรก็ดีแล้วแต่ว่าทำความเพียรพอดี เวลาทำความเพียรก็ให้ใจอยู่กับปัจจุบันนะอย่าเพิ่งไปคิดถึงเป้าหมายว่าจะต้องเอาให้ได้ยิ่งถ้าจะรีบทำให้ถึงจุดหมายไวๆเนี่ยมีเดทไลน์นะมีเป้าหมายต้องไปให้ถึงวันนี้วันนั้นเนี่ยยิ่งเป็นไปไม่ได้ยิ่งกลับกลายเป็นการเนิรนช้านะต้องวางจุดหมายแล้วก็ทำสบายๆให้ถือคติว่าเนี่ยเออทาช้าจะถึงเร็วนะ แต่ถ้าทําเร็วหรืออยากให้ถึงเร็วกลับถึงช้าเดินช้าๆไม่สนใจเป้าหมายเนี่ยกลับถึงเป้าหมายเร็วอันนี้ไม่ว่าจะเดินข่าหรือเดินทางไกลก็ตามถ้าเดินอยากให้ถึงไวๆนะกลับถึงช้าด้วยนี่หลวงพ่อเทียนนยังสอนนักปฏิบัติใหม่ๆไว้ทําเล่นๆแต่ทําจริงๆทําเล่นๆคือว่าทําโดยที่ไม่สนใจจุดหมายไม่คิดจะเอามันจะผิดมันจะพลาดยังไงก็ไม่เป็นไรมันจะหลงไม่เป็นไรเอาใหม่ ฟุ้งไม่เป็นไรเอาใหม่แต่ว่าทำจริงๆก็คือทำไม่หยุดเหมือนกับคนที่เดินช้าๆเนี่ยนะแต่ว่าต้องเดินไม่หยุดนะมันจะถึงเร็วถ้าเดินช้าแล้วก็ขี้เกียจไม่ไม่เดินบ้างหยุดบ้างเนี่ยถึงช้านะเดินช้าๆแต่ว่าเดินไม่หยุดเนี่ยเดินเรื่อยๆเนี่ยนะถึงจะถึงเร็วก็ฝากไว้นะอ่ะช้านี้พูดกับท่านนี้กลับฮะ